เดี๋ยวนี้ก็เป็นธุเรศกันนะว่าภัยที่คุกคามชีวิตของคนในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยอาการนี้คือโรคหัวใจนะหลายคนทั้งที่ยังอายุไม่มากนะกำลังพูดกําลังคุยกําลังทํางานกําลังเดินบนถนนอยู่ดีก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตบางทีตายคาที่เลยหรือมิฉนั้นก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะโรคหัวใจ นี่เป็นกันเยอะมากเนะี่ยเดี๋ยวพอในหมู่คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีแต่เดี๋ยวนี้แม้แตงชาวบ้านก็ในชนบทที่ก็เป็นกันเยอะแล้เดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วนะว่าสาเหตุสําคัญเนี่ยของการเป็นโรคหัวใจเนี่ยคืออะไรอันนี้คือการที่ไม่เคยได้ออกกําลังกายนั่งๆ น, นอนๆอนอันนี้ไม่นับนะการกินอาหารนะที่ เรียกว่าไม่ค่อยจะดูแล้วใจใส่เท่าไหร่เอาแต่รสชาติแต่ว่าความรู้อย่างนี้เนี่ยนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้มานานแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เราเพิ่งรู้ถอยหลังไปสักเจ็ดสิบปดสิปีเนี่ยเมื่อคนเนี่ยร่วมจะเปกก็นโรคหัวใจกันมากขึ้นจนล้มตายเนี่ย อย่างในประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเช่นอเมริกาอังกฤษเนี่ยนะไม่มีใครรู้น่ะมาสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรก็ไม่มีแต่ละวันนักวิชาการก็ได้นะชื่ประเทศอังกฤษเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยชื่อเจอร์รี่มอริสเนี่ยแกก็สังเกตมาเดี๋ยวนี้คนอังกฤษเนี่ยตายเพราะโรคหัวใจกันเยอะมากบางทีก็ ตายคาที่เลยนะแล้วแกก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะการใช้ชีวิตก็ได้หรือเพราะเรื่องอาชีพการงานคืออาชีพบางอาชีพเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายเอาแต่นั่งอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานนั่งโต๊ะเนียแล้วแก ก็อยากจะหาหลักฐานพิสูจน์ว่ามันจริงไหมที่การไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้คนเป็นโรคหัวใจกันมากขึ้นและการหาหลักฐานแกก็น่าสนใจนะประเทศอังกรษเนี่ยมันมีรถโดยสารนะรถโดยสาร2ชั้นรถเมล์สชั้นรถเมล์สชั้นเนี่ยมันก็มีกระเป๋านะกระเป๋าเก็บสตังค์เนี่ยกับคนขับ คนขับเนี่ยจะนั่งอยู่บนรถหลังพวงมาลัยเนี่ยแทบจะทั้งวันเลย 90% เนี่ยของเวลาทำงานเนี่ยคือนั่งอยู่หลังพวงมาลัยขับรถแต่กระเป๋าเนี่ยนะจะเดินขึ้นเดินลงนะเพราะว่ามันมีสองชั้นนะเดินขึ้นเดินลงแล้วก็พาผู้ดโดยสารเนี่ยไปนั่งที่ แล้วเก็บเงินไปด้วยให้ตัวไปด้วยแกก็อยากจะรู้นะว่าคนสองกลุ่มเนี่ยนะเขามีการออกกำลังกายยุดเส้นยุดสายกันแค่ไหนเนี่แล้วเ้าก็พบว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะคนที่เป็นโชเฟอร์เนี่ยเป็นพนักงานขับรถเนี่ยนั่งเป็นส่วนใหญ่ขณที่กระเป๋านี่เดินขึ้นแล้วลงแล้วแกก็อุทา์นับเก้านะ นับก้าววันเนี่ยกระเป๋าเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเดินขึ้นลงหรือว่าเดินไปเดินมาบนรถเนี่ยวันละกี่ก้าวเฉลยแล้วก็ห้า้เจ็ดิบห้าก้าวแสดงว่าเนี่ยกระเป๋ารถเม์นี่ออกกำลังกายมากกว่าแล้วาก็ไปสืบสาวนะว่าในบรรดาคนที่เป็นโชเฟอร์ ขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมยเนี่ยที่ตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยมันมีใครเป็นโรคหัวใจมากกว่ากันก็เพราะว่าคนที่ขับรถเมย์เนี่ยตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยเป็นสองเท่าของกระเป๋ารถเมย์ท่านั้นไม่พอนะเขาก็ยังไปศึกษาดูว่าเนี่ยคนที่ขับรถเนี่ย กับกบระเป๋ารถเมย์นี่ในแง่ของความอ้วนเนี่ยต่างกันแค่ไหนและวิธีการเขาก็น่าสนใจนะเขาก็ไม่ได้ไปวัดรอบเอวนะของโชเฟอร์แล้วก็กระเป๋ารถเมย์แต่เขาดูจากกางเกงนะที่บริษัทเนี่ยมอบให้กับพนักงานอ่ากางเกงเนี่ยนะมันก็จะให้ตามอ่ ตามขนาดรอบเอวนะของพนักงานแล้วเขาก็วัดนะรอบเอวเนี่ยนะกังเกงเนี่ยของคนขับรถเนี่ยรอบเอวเนี่ยมันจะมากกว่ารอบเอวของกระป๋ารถเมย์แสดงว่าคนขับรถเมยนี่อ้วนกว่ามีน้ำหนักมากกว่าเขาก็เลยสรุปเด้ว่าเลยนะว่าเนี่ย ที่จริงเขาจะไม่สู่รทันทีนะเขาก็ไปศึกษาจากพนักงานไปซนีมันซึ่งมันก็มีอยู่2ประเภทนะคือเพนนังโต๊กับประเภทที่นำจ่ายพัสดุไปษณีก็พบข้อมูลคล้ายๆกันก็คือว่าพนักงานที่นั่งโตเนี่ยนะเป็นโรคหัวใจมากกว่าพนักงานที่จ่ายจดหมายเขาก็เลยนะเขียนรายงานนะสรุป ลงในวารสารการแพทย์ที่มีชื่อในอังกฤษเวลานั้ น, นสรุปว่าเนี่ยสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจเนี่ยในอังกฤษเนี่ยก็คือการที่ใช้ชีิตแบบนั่งๆ่งนอนๆอ น, น, อนหรือว่าทํางานแบบไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วเขาก็เสนอว่าเนี่ยถ้าจะลดการเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันต้องออกกําลังกายให้มากขึ้นเนะขยับขยื่นเดินให้มากขึ้นเพราก็ว่า บทความชิ้นนี้เนี่ยนะถูกวิพากษ์วิจารมากเพราะว่ามันสวนทางกับความเชื่อของนักวิชาการหรื อ, อแพทย์ในเวลานั้นเพราะจานวนมาเนี่ยถึงแม้ไม่รู้สาเหตุที่แท้แต่คิดว่าโรคหัวใจ ม, มันน่าจะเกิดจากความดันความดันสูงและที่ความดันสูงเป็นเพราะอารมณ์ความเครียด นะความเจ้าอารมณ์ไม่มีใครนึกถึงเรื่องของการที่ไม่ได้ออกกําลังกายแต่ว่าเจอเรมอรรสเนี่ยก็บอกเนี่ยเป็นพ่อแม่ออกําลังกายต่างหากนะที่ทําให้เป็นโรคหัวใจกันมากขึ้นถึงกับล้มตายกันก็ไม่มีใครเชื่อนะหรือเชื่อน้อยมากเพราะมันสวนทางกับนะข้อสรุปของผู้รู้แต่ว่าเวลาผ่านไปนะมาถึงวันนี้เนี่ยนะมันก็ เป็นที่ยอมรับ ก, กันแล้วนะว่าเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตหรือการทํางานที่ไม่ค่อยได้ยืดเซ้นยืสายออกกําลังกายเท่าไหร่แต่นี่ความรู้ที่เรารู้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่รู้กันโดยปกติธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เคยคิดเลยนะว่าเนี่ยวัตกรเนี่มันเป็นความคิดที่ทวนกระแสมากสิ่งนี้ก็สู้มาเนี่เป็นความจริงนะแต่คนไม่เชื่อ เพราะว่ามันไม่มันสวนทางกับความเชื่อของผู้รู้นะแต่ว่าเขามีหลักฐานนะเขามีข้อเท็จจริงซึ่งหลักฐานที่เ็าหามานี่มันก็เรียกว่าวิธีการก็ฉลาดนะไม่ได้ใช้ เ, เทคโนโลยีอะไรที่ลึกซึ้งนะศึกษาเปรียบเทียบกับโชเฟอร์รถเมล์กับกระเป๋ารถเมล์หรือศึกษาเปรียบเทียบพนักงานไปรษณที่นั่งโต๊ะนะกับที่านาจ่ายไปรษณีย์นะ ก็เรียกว่ามีหัวนะมีความฉลาดนะในการหาข้อเท็จริงมาสนับสนุนและถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อสรุปได้ข้อสรุปที่ไม่ตรงกับผู้รู้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ยอมรับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะรับรู้เอาไว้นะเพราะเดี๋ยวนี้นี่นะเราใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายกันมากขึ้นนะออกกําลังกายกันน้อยลงนะแม้กระทังพระเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่นะ แต่เดิมที่เคยเออกกำลังกายกันมากๆก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะชื่อมันสะดวกสบายมากขึ้นความสะดกสบายนี่มันก็มีข้อดีนะแต่ถ้ามากเกินไปก็กลายเป็นโทษ